มันนี่นะเป็นพวกสร้างบาลมีเยอะนะถ้าเป็นพวกข้าโบ พ, พิสัทธ์ด้วยจำได้หรือเป็นมัเนี่ยขาไล่ขี่ฉากลัวคนอื่นเขดีเกินหนะ้าขี่ฉากลัวคนอื่นดีกว่าอย่างพยามารเนี่ยเขาอยากเป็นพระพุทธเจ้านี้เจ้าชายสิทธัตถะจะไปเป็นก่อนเนี่ยแต่ไม่ค่อยยินยอมพร้อมใจมนัน เป็นโพธิสัตว์ก็มีวัสวัติมานเป็นโพธิสัตว์นะแล้วจะได้ตรัสรู้ด้วยเทวดาในสวรรค์ชั้นที่หปรณิ ม, มิตวัสวัตตีนเทวดานี่แบ่งเป็นสองค่ายค่ายเทวดากับค่ายมารเราไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันทางใครทางมัน ไม่ละสนใจอะไรมานมานนะชอบฟังเทศนะฟังธรรมเวลาฟังธรรมนะเรียบร้อยมากเลยสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลพวกสร้างบารมีเยอะนะคือไม่ใช่พวกกระจกงอกง่อยน ะ, ะกระจกงอกง่อยเป็นมานไม่ไหว <c oughs> ตกนรกไปหมด <c oughs> ไปถึงไหนแล้วเมื่อเช้า <c oughs> อ้าวพี่ไบเชิญ วันนี้ฟุ้งน้อยกว่าเมื่อวานแต่สงสัยทำสมถะเยอะไปหน่อยจะตืะนะ่นทาสมถะเยอะไปหน่อยมเมื่อคืนนี้ดีนะเมื่อเช้านี้ใช้ได้ดีกว่าตอนนี้ตอนนี้มันมัวไปนิดนึงเมื่อเช้า ด, ดีสมถะก็ไม่ทิ้งหรอกคือคือบอกเออท่านคือพอฟุง้งใช่ไหมฮะก็เลย แตะเบก็ถูกต้องแล้ะแต่ยังแรงๆอะไรบางทีให้ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาใจตั้งมั่นแล้วเราก็มารู้กายมารู้ใจของเราต่อไปอจีรัตจีรัดก็ยังมัวๆอยู่บ้างนะครับใจถึงยังก็ยังตื่นไม่เต็มที่นะครับต้องใจถึงถึงมันอยู่ที่เราปรุงขึ้นมาเองอะถ้าเราไม่ปลุงมันก็ไม่มี ถ้าเราใจไปจดจอ่อกับมันนะเข้าไปเคลา้าอยู่อ้าหญิงเป็นไงหญิงรู้สึกว่าใจมันจะไหลเข้าช่องเพ่งอยู่เรื่อยเลยค่ะให้รู้ทันดีละให้รู้ทันตรงที่เขาจะไหลแต่ไม่ต้องไปฝืนนะแค่รู้แค่รู้อย่างของจีรัตน์เนี่ยมันจะไหลไปซึมเราก็แค่รู้แล้วไม่ไหลไปมันก็ไม่เป็นหรอกอ้าวคุณนาคุณนา ช่วงนี้มีอยู่กับความจงใจเช่าค่ะใกล้ๆเล อ, อช่วงนี้อยู่ความจงใจเช่าค่ะออแต่ก็ได้ทราบ ว, ว่าความจงใจที่จริงมันเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะมีหรือไม่มีห้ามไม่ได้แต่อย่าไปช่วยมันมากก็แล้วกันลหลายคนภาวนานะพลาดจงใจเยอะไปใจมากสติไม่ใช่ของที่สั่งให้เกิดได้สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้มีเหตุสติถึงจะเกิด ถ้าจิตมันจำสภาวะได้แม่นสติก็เกิดนี่จะเกิดไม่เกิดช่างมันมีหน้าที่ตามรู้สภาวะไปถ้าจิตไปเห็นสภาวะมันจะเห็นในตัวสภาวะไม่มีตัวเราอย่างความโกรธไม่มีตัวเราไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาความโลภไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาพวกเราดูออกใช่ไหมตรงนี้คอยรู้ไปอย่างเงี้ยในสุดมันถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ ตลอดเวลาที่เราเดินทางในสังสารวัฏเนี่ยเราสะสมแต่ความเห็นผิดเวลาเรามองเราก็เห็นคนเห็นสัตว์ใช่มเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเราเห็นคนอื่นมันก็มีตัวเราขึ้นมาอีกเวลาได้ยินนะเนี่เสียงเขาเสียงเราเสียงคนเสียงสัตว์อะไรขึ้นมาอีกมันสะสมแต่ความรู้สึกผิดผิดอย่างนี้เรื่อยๆเรียกวิปลาลสสะสมความเห็นผิดไปเรื่อยๆ พอเรามาหัดเจริญสติเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสภาวธรรมทั้งรูปทั้งนามเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะรู้สึกเลยมันจะเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างรูปนี่เคลื่อนไหวอยู่นี่เรารู้สึกเลยไม่ใช่คนเลยนะสัมผัสดูนี่เป็นท่อนแข็งแข็งเท่า น, นั้นเองเป็นท่อนแข็งแข็งเป็นก้อนดินเธาตุดินไม่ใช่คนหรอไม่ใช่ตัวเราด้วยจิตใจความโลภความโกรธความหลงสติระลึกปั๊บเนี่ยจะไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่เราเป็นอะไรอย่างหนึง่งถ้าจะใส่ชื่อก็คือเป็นนามธรรมอย่างหนึง่งไหลามาแล้วไหลไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับสิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้หมดเลยมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับไปการที่เราได้รู้ได้เห็นจะค่อยๆถอดถอ น, ถอนความเห็นผิดของเราในจิตใจนะที่สะสมมานานพอมาเจริญสติก็ค่อยๆลาความเห็นผิดไปมันเห็นถูก เห็นว่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปธรรมานามธรรมงั้ต้องรู้สึกตัวนะรู้สึกแล้วก็รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจรู้สึกตัวก็อย่าตั้งใจรู้สึกตั้งใจรู้สึกเป็นของเก๋มันเจือด้วยโลภะงั้นนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อเป็นแต่แค่สมถะทั้งๆ ท, ท, ที่คิดว่าทํำวิปัสสนามันจงใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะกระทั่งการรู้รูปนามนะ รู้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์บางคนพเพเจริญสติด้วยตัวนี้ตาเห็นรูปนะระลึกอยู่ที่ประสาทตานี่ก็ทื่อๆอยู่แค่นั้นเองนะไม่เห็นว่าจงใจไปดูประสาทตาไม่เห็นตัวนี้ใจก็ทื่อๆกิเลสไม่เกิดนะนึกว่าไม่มีกิเลสความจริงกิเลสเกิดไปแล้วมีโลภะเจตนาเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงได้ไปกําหนดประสาตานี่มันละเอียดนะ งั้นาการภาวนาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอกาสที่จะถูกเข้าถึงมรรคนิพพานมีน้อยนะมีน้อยถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังธรรมในโอกาสที่จะถูกนี่แทบไม่มีเลยมันมันพร้อมจะผิดตลอดเวลาพร้อมที่เข้าไปทำมีโลภะขึ้นมาโลภะเจตนาเกิดขึ้นแล้วเกิดการกระทำถ้านักปฏิบัติเขาเรียกทำกรรมฐาน งั้นให้รู้ทันเข้าไปในใจเรานะใจเราเกิดอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากเลยหลวงพ่อมาเห็นตรงนี้เจอหลวงพ่อหลุนอ่ะอ น, นั้นไปอยู่วัดหน้าเรือนจํำพิไวไปด้วยปรับมินูนรับนั้นหลวงพ่อหลุนตะโกนข้ามสระน้ำบอกปลาโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้โหเย็นวาบเลยนะซาบซึ้งเลยหน้าอกนี่เย็นเลยนะแต่หน้านี้แดงเลยคนหันมามองทั้งวัดเลยจําแม่น คูบาอาจารย์ต่ก่อนนัม้มาทนุถนอมนะมาโ อ, โอ๋โหลวงพ่อโอ๋โยเยอะไปนะจนความจริงหลวงพ่อต้องให้ดูกวา่านี้นิดนึง่งอยได้คัดพวกเราออกไปบ้างในน้อยน้อยหน่อยต้องดูดุแต่มันดูไม่ลงนะเห็นตาแป๋วแปวน่าสงสารวิธีกิเลสมาเยอะแยะถ้าไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ขัดเราก็สะสมไปรู้ไม่ทันนึกว่าตัวดีนะนึกว่าตัวดีตัววิเศษ ถ้าเราภาวนาจริงๆเราจะเห็นเลยเราไม่ได้ดีเราไม่ได้วิเศษอย่างที่คิดหรอกดีจริงวิเศษจริงบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วล่ะค่อยๆดูโอ้โหบางคนมาเรียนกรรมฐานนะการเี่ยวกลางเล็บมาน่ากลัวนะเมื่อวานก็มีนะมีพระมาตัสามพันสายเองนะมาประกาศเลยผมไม่ได้นับถือท่านหรอกผมไม่ได้เชื่ออะไรท่านสักนิดนึงผมจะมาลองดีท่าน ไอหัวแตกกลับไปฟังซีดีเนี่ยญานิญาติเอาไปให้ฟังโอ้ใครมันก็พูดได้นะมันทำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เสร็จแล้วมาสยดสยองตอนเห็นโยมส่งกันบ้านนี่แหละกันที่โยมส่งกันบ้านสังเกตไหมหลวงพ่อจะให้พระนั่งฟังก่อนหลวงพ่อสอนพระง่ายขึ้นเยอะเลยไหมเวลาพวกเราส่งกันบ้านนะ่ะมาองนละแยกเขี้ยวซ่อนมากลางเล็บมาแต่ไกลมาจากไกลไกลเลย นั่งรถมาทั้งวันทั้งคืนว่ากูเก่งกูเก่งกูเก่งมาเจอโยมส่งกันบ้านเนี่ยฉันบอกอายที่สุดเลยบางองสารภาพเลยนะอายทำไมโยมภาวนาได้ขนาดนี้กันภาวนาได้ดีนะฉนั้นธรรมะไม่มีพระมีโยมหรอกถ้าจับหลักให้แม่นแนละ้วไปได้เร็วถ้าจับหลักไม่ได้นะรูปรปคลำคๆทรมานแทบตายเลยอยู่ป่าอยู่เขาก็ไม่ใช่ว่ามันจะทําได้กิเลสมันไม่ได้กลัวภูเขานี่ กิเลสมันไม่ได้กลัวปากกลัวถ้ำนะกิเลสมันกลัวสติปัญญาทหารถ้าพวกเราใช้อาวุธของเราคือสติปัญญานะคอยรู้ทันลงไปกิเลสอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตในใจนะคอยรู้เข้าไปรู้เข้าไปนะมันทนเราไม่ไหวหรอกมันจะมาย้อมใจเราไม่ติดมันต้องต่อสู้ต้องเข้มแข็งนะจะข้ามพบข้ามชาติเอาให้ได้พวกเราหลายคนในห้องนี้มีโอกาสนะในชีวิตนี้มีโอกาสถ้าใจตื่นขึ้นมาจนเป็นปกติแล้วมีศีลนะ ศีล ส, สาคัญนะมีศีลมีใจที่ตั้งมั่นนะหัดรู้กายหัดรู้ใ จ, จเจริญปัญญาให้ถูกโอกาสที่จะเข้าถึงมรรค น, นิพพานในชาตินี้เป็นไปได้สูงในห้องนี้เป็นไปได้สูงหลายคนนะเยอะนะนั้นหัดรู้สึกไปศีลธรรมสาคัญนะศีลก็สำคัญศีลด่างพร้อยนะจิตมองเลยใจไม่ตั้งมั่นใจจะหดหูนะจิตใจหดหูไม่ก็จิตใจหยาบช้าจิตกระด้าง ภาวนาไม่ได้ศีลก็สำคัญมีศีลแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นให้รู้ทันจิตใจไปใจเราชอบไหลออกไปถ้าไม่ไหลไปข้างนอกก็ไหลเข้าข้างในหลวงพ่อก็เป็นนะสมัยที่ภาวนาไม่ได้ดีวิเศษกว่าพวกเราหรอกทำผิดมามากมายเหลือเกินทันแรกเลยที่ผิดติดสมถะอยู่22ปีจ่ว่าติดสมถะก็ไม่เชิงอ่ะมันไม่รู้จะทำอะไรขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นงั้นชนานาญ เรืสมถะติดมานานนะต่อมาไปหาหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตตัวเองหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราดูเข้าข้างในตลอดเลยนะดูเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆไปเจอหลวงปู่เทศท่านบอกอย่าส่งในฟังเราก็ยังง ง, งๆนะไม่ส่งนอกไม่ส่งในก็ยังดูอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเจอหลวงปูส่สิมอีกหลวงปูส่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนี่ ไม่ค่อยเข้าใจนะเสร็จแล้วก็มาฟังหลวงปู่เทศอีกท่านบอกว่าให้เป็นกลางไม่ส่งนอกไม่ส่งในนกลางจงใจประคองไว้กลางๆอีกแล้วรักษาความเป็นกลางอีกล้วมันเปนมีแต่เรื่องทำทั้งหมดเลยมีแต่เรื่องทำถ้าครูบาอาจารย์สอนมาไม่ต้องทําอะไรท่านพูดอย่างนี้ทุกอง์เลยนะไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ทําความไม่ทําอะไรขึ้นมาอีกคือมันอดทําไม่ได้อะมันเคยทํำมันจะปรุงมันจะแต่งไปเรื่อยเลยเราไม่รู้หรอกว่า การที่จิตเราปรุงเราแต่งไปเรื่อยๆนั่นแหละกั้นเราไว้จากมรรคนิพพานเมื่อไรจิตมีสติขึ้นมาตื่นขึ้นมามีสัมมาสมาธิตั้งมัน่นเป็นตัวของตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะมันจะเห็นสภาวธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้นเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเจวัน 7, 7เดือน7ปนะีเห็นไปมันก็จะตัดสินความรู้ของมันต่อไปนี้ไม่ว่าจะเผล อ, อยังไงนะก็ไม่รู้สึกว่ามีเรานะไม่มีเรา เราไม่มีเราหายไปพวกเราตอนที่มีสติแรกๆเนี่ยเราเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่เราเราเห็นเหมือนกันนะหันไปหันมาตกใจนะตัวเราหายไปไหนเนี่ยหลายคนภาวนาแล้วมาถึงจุดนี้ตกใจเลยโอ้ยเราหายนะเที่ยววานหายอยากจะส่งจิตไปดูใหญ่เราหายไปไหนนะเราหายบางคนพอเราหายไปนะักกลัวรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกว่า เวงว่างแล้วหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จิตใจเวงว้างไปหมดบางคนเบื่อเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยต่อไปนี้ตัวเราหายไปแล้วไม่รู้จะเอาอะไรเพื่ออะไรแล้วชีวิตนี้แห้งแล้งหงอยไปเลยนะหงอยเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยลืมเบื่อความเบื่อลืมลืมรู้ทันใจมันเบื่อใจมันกลัวใจมันเวงว้างรู้เข้ามาสิรู้ให้ทันสติปัญญารู้เข้ามา รู้เข้ามาความเบื่อความเบื้องว่างความกลัวอะไรนี่นจะเด่นออกไปจากใจเราหลุดออกไปแล้เราก็ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาใหม่คราวนี้มาดูกายมาดูใจต่อไปด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆแล้วนะเป็นกลางมากๆเลยเห็นสภาวะใดๆเกิดขึ้นไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาไม่เกลียดมันนะไม่หาทางแก้หรอกเห็นจิตเข้าไปติดโมหะเหมือนจีรัสนะจิตเข้าไปติดโมหะไม่เกลียดมันเพียนะงแต่อย่าไปทํามันเท่านั้นเอง เราไม่ปรุงแต่งไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นหาทางทำลายมันสภาวะธรรมเขก็แสดงตัวเข้าไปเรื่อยๆเขาก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูเรื่อยๆแหละดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะนั่นแหละถึงจุดหนึ่งจิตจะเกิดสติปัญญาแก่กล้ามจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะไม่ต้องแกล้งรวมรวมเองรวมเข้ามาตอนนี้จิตจะมีธรรมะชนิดหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนเลยคือขันติ ไม่น่าเชื่อเลยนะแต่จะข้ามภพข้ามชาตินี่ขันติกับสําคัญมากเลยมันจะเห็นสภาวธรรมเกิดดับสองขณะบ้างสาขณะบ้างในจุดเนี้จิตใจนี่จะมีขันติอย่างสูงเลยที่จะไม่เข้าไปแตะต้องสภาวธรรมนั้นเลยมันคําว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงเกิดขึ้นตรงนี้เองนะเห็นสภาวธรรมสแสดงตัวขึ้นสองขณะสขณะจิตจะเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยนะอดทนอดกลัน้นต่อแรงยั่ว ของสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นแต่ว่ามันแว บ, บเดียวนะมันนิดเดียวมันแว บ, บเดียวเองเสร็จแล้วจิตมันจะวางการรู้สภาวธรรมมันจะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุ ร, รู้นะมันไม่ได้ก่อเกี่ยวกับสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นนามแนละ้งั้นมันไม่ใช่โลกแลในขณะเดียวกันมันยังเข้ามาไม่ถึงธรรมมันก็ไม่ใช่ธรรมมันคาบรูปคาบดอกอยู่ตรงนี้คาบรูปคาบดอกอยู่ชั่วแว บ, บเดียว ถ้าทวนกระแสเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆมรรคก็จะเกิดขึ้นนะมันจะแหวกมันจะทําลายมันจะฆ่าฟันนะกิเลสส่วนลึกในใจเราถูกทําลายไปนะพร้อมๆกับการแตกตัวออกของสิ่งที่ห่อพุ่มจิตอาสวะกิเลสถูกทําลายออกไปนะกิเลสที่สะสมอยู่ถูกขับไล่ออกไปบางส่วนใจก็ไปเห็นนิพพานสองสาขณะเห็นนิดเดียวนะเพราะฉนั้นเข้าถึงทำครั้งแรกเนี่ยยังไม่ชํานาญในนิพพาน เสร็จแล้วสองสามขณะเสร็จแล้วเนี่ยจิตจะถอยออกมาละอาสวะกลับเข้ามาปิดปกคลุมอย่างเดิมจิตค่อยทวนกระแสกลับเข้าไปใหม่ไปพิจารณาพิจารณากิเลสถูกทําลายไปละพิจารณาถึงนิพพานที่ไปเห็นมาละแต่จิตปกติตรงเนี้ยเพิ่งไปเห็นนิพพานมาครั้งแรกยังไม่ชํานาญในการพิจารณานิพพานเพราะงั้นเวลาที่จะพักผ่อนเข้าไปรู้นิพพานที่เรียกว่าผลสมบัติ ผลสมาบัติไม่ใช่อดข้าวนอนหลับทื่อๆไปนะหมดสตินะเวลาจิตจะเข้าไปถึงผลสมาบัติเนี่ยถ้ายังไม่ชํานาญจะต้องรู้รูปนามไปก่อนรู้รูปนามไปก่อนแต่ละจิตถึงจะตัดกระแสะเข้าไปวางรูปนามแล้วเข้าไปเห็นนิพพานไปพักผ่อ น, พ, อนพักผ่อนชั่วครั้งชั่วคราวสบายอกสบายใจก็ถอยออกมาเพราะน้นถ้าใครภาวนาจนเข้าถึงจิตถึงใจแล้วนะไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครหรอก อยู่คนเดียวมีความสุขจะตายไปเห็นหน้าโยมตาแปลกๆไม่มีความสุขนะโยมมีแต่วความทุกข์น่าสงสาร <Yes. S 1> ค่อยฝึกนะค่อยฝึกธรรมะไม่ได้สูญหายไปไหนนะฝึกเข้าไปแต่ส่วนมากทำผิดหลวงพ่อก่อนจะบวชนะหลวงพ่อเที่ยวตะเวนไปว่าจะไปบวชที่ไหนแล้วนิสัยเดิมมันชอบศึกษาสำนักไหนมีชื่อเสียงแนละ้วเข้าไปเรียนหมดอะ แต่เข้าไปเรียนแบบชี้โกงนะาอาศัยว่าจิตเราไวเราไปดูตัวอาจารย์เขาแหละเวลาอาจารย์เขาปฏิบัติแนละไปดูอ๋อเขาทําอย่างนี้เขาดําเดินจิตอย่างนี้เขาวางน้ําหนักอย่างนี้เดินท่านี้นั่งท่านี้มีทิฏฐิคือมีความคิดความเห็นอย่างนี้อย่างนี้ไปดูเข้าไปเยอะสํานักโน้นสํานักนีนนกนน้ไปดูเจอดีๆก็มีเหมือนกันเจอไม่ดีก็เยอะเยอะ ดีๆที่ประทับใจเลยหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนน่าประทับใจหลวงพ่อเทียนขยับตัวนี่ตื่นโรงเลยใจตื่นเลยใจไม่มีอะไรเข้าไปย้อมใจท่านดูดีส่วนใหญ่ติดสมถะทั้งๆที่คิดว่าทำวิปัสสนานส่วนใหญ่ติดสมถะหลวงพ่อเขามาพิจารณ์ทำไมที่ว่าทำวิปัสสนานะแล้วไปติดสมถะกันเกือบหมด ดูไปดูมาเพราะว่าพวกเราเนี่ยข้ามขั้นการศึกษาไปเราเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าข้ามขั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้าสามบทศีลสิกขาจิตสิษยาปัญญาศิกขาส่วนมากล้เลยจิตศิกขานะดูถูกด้วยซ้ำไปยิ่งพวกเรียนมากมากนะดูถูกจิตศิกขาคิดแต่จะเจริญปัญญาศิกขามันเจริญไม่ได้นะถ้าไม่มีจิตสิกขาจิตสิกขานี่คือการเรียนเรื่องจิตตนเอง หลายคนมาประกาศทิฐิเลยว่าจะไม่เรียนเรื่องจิตจะเรียนเรื่องกายก่อนจะดูรูปดูนามเนี่ยดูร่างกายจะดูกายเคลื่อนไหวไปอย่างนู้นอย่างนี้ส่วนมากก็เลยไปเพ่งกายเพราะไม่รู้จักว่าจิตชนิดไหนเ่ยที่ควรแก่การทํำวิปัสสนาเพราะไม่ได้เรียนเรื่องจิตเพราะงั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบพวกเราก็ต้องเรียนเรื่องจิตนะขั้นแรกต้องมีศีลก่อนนะศีลสําคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีศีลเหมือนสร้างบ้านแล้วไม่มี พื้นฐานอะไรเลยบ้านพังแน่นอนเลยสมาธิปัญญาจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสล้วนๆเลยคราวนี้อย่างเทวทัตไม่ใช่โง่นะเทวทัตฉลาดนะเก่งนะถึงเป็นคู่ชกกับเจ้าชายสิทธัตถะได้นี่สติปัญญาเก่งสมาธิเก่งนะห่อเหินเดินอากาศได้เนี่ยเก่งขาดศีลขาดศีลแพินาศร่มจมลงไปยังดิ้นแดกๆอยู่ดิ้นไม่ออกด้วยนะ กรดูกระดิกไม่ได้งั้นมีศีลนะสําคัญเสร็จแล้วก็มาเรียนเรื่องจิตของเราให้ดีจิตใจชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลค่อยๆสังเกตไปจิตอกุศลนะมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อมันโลภมันโกรธมันหลงจิตที่เป็นกุศลนะมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันอ่อนมันเบามันคล่องแคล่วว่องไวมันไม่ถูกกิเลสครอบงํามันควรแก่การงานมันรู้ซื่อ อะไรเกิดขึ้นรู้อย่างซื่อๆตรงๆไม่เข้าไปแทรกแสงเนี่ยถ้าจิตเข้าไปแทรกแสงสภาวะธรรมเราก็อกุศลละวเนี่ยต้องเรียนนะแล้วก็ต้องรู้ว่าจิตชนิดไหนใช้ทําสมถะจิตชนิดไหนใช้ทําวิปัสนาจิตที่ใช้ทําสมถะและวิปัสนาเนี่ยถ้าพูดแบบอภิธรรมนะมันจะเป็นจิตชนิดเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นมหากรุศุรจิตญานสัมปยุตเนี่มหากรุศุรจิตญานสัมปยุตเนี่ยังมี แบ่งตามเวทนาได้2 อ, อย่างนะมีโสมนัสเบิกบานใจกับอุเบกขาแบ่งตามที่เกิดได้อีกสองอย่างเกิดด้วยเกิดเองเพราะมีกําลังกล้ากัเกิดเพราะถูกชักชวนให้เกิดต้องโนมน้วให้เกิดรวมความแล้วมันก็เป็นปูนกันเข้าไปนะก็เลยมีจิตอยู่4ดวงในตามตําราือเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นมหากรุศุรจิตประกอบด้วยปัญญาทั้ง4ี่ดวง แต่ว่าทั้งสี่ดวงนี้บางดวงเป็นอุเบกขาเกิดเองบางดวงเป็นอุเบกขาจูงใจให้เกิดบางดวงเป็นบางดวงเป็นโสมนัสนะเกิดเองบางดวงเป็นโสมนัสจูงใจให้เกิดจิตที่มีกําลังกล้าที่สุดเลยจิตที่มีปัญญามีโสมนัสเกิดเองนะตัวนี้มีกําลังกล้าที่สุดสิ่งที่พวกเราเรียนจากหลวงพ่อนะคือเรียนจนกทังจิตดวงนี้เกิดขึ้น นในอาภิธรรมในตำรับตำราที่เรียนกันไม่ได้จำแนกว่าจิตดวงไหนเนี่ยควรแก่วิปัสสนาจริงๆคิดว่าทั้ง4ี่ดวงนี้ควรทจริงดวงที่ควรมีอยู่คู่เดียวคือญาณสัมปยุตที่เกิดเองอาสังขาริกังถ้าจงใจให้เกิดนะโน้มน้าวให้เกิดนะจะเป็นจิตที่ทำสมถะถ้าจิตที่มีกำลังมันเกิดเองนะไม่ได้จงใจมีสติสติเกิดเองอย่างนี้ถึงจะไปทำวิปัสสนาจริงๆได้ แต่ถ้าต้องโน้มน้าวให้เกิดเนี่ยนะอันนี้เป็นจิต ท, ที่ใช้ทาสมถะเนี่ยถ้าเราแยกมันนั้นไปคุยกับอาจารย์อนัตตามานี้นะแยกใค่แก่ฟังแก่ตาเหลือกเลยบอกบอกไม่เคยฟังมันจะถูกแกผิดไม่รู้นะแต่ว่านี่เห็นมาจากประสบการณ์เนะั้นเราต้องเรียนจกระทั่งจิต ท, ที่เป็นกุศลนี่นะเกิดขึ้นเอง จิตที่เป็นกุศลจะเกิดเองได้เนี่ยหมายถึงสติเกิดขึ้นเองถ้าเมื่อไหร่สติเกิดจิตจะเป็นกุศลอัตโนมัติสติเกิดได้เพราะจิตจําสภาวะได้ทิระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้เป็นเหตุให้สติเกิดและสติจะเกิดทิระสัญญาจะเกิดได้เนี่ยจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเมื่อหน้าที่เราเนี่ยหัดรู้สภาวะไปถ้าเรียนอย่างอภิธรรมเนี่ยก็จะเรียนสภาวะธรรม72ตัวก่อนนะ เรียสภาวะธรรม72อย่างเราไม่ต้องเรียน72เราเราเรียนเยอะกว่านั้นอีกเพราะสภาวะธรรมในใจเราดูที่กยุกกยิกใ น, ในอภิธรรมมีมตัมปลามีไหมกยุกกยิกไม่มีเหนียวเหนียวนะสภาวะอะไรก็ไม่รู้เหนียวเหนียวหนาะหนาะนะนะมีสภาวะแปลกๆมากมายนะที่ไม่มีชื่อมีเยอะแยะเลยนะเราหัดรู้สภาวะทั้งหลายไปหัดรู้จักไปเวลาเล็กเวลาน้อยนะเวละตัว2ตัว วิธีหัดรู้ก็คือทํากรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งก่อนอะไรก็ได้ที่เคยทำํำถ้าทํำเราไม่เครียดนะถ้าทํำเราเครียดใช้ไม่ได้หรอกใครเคยพุโทโธแล้วสบายก็พุโทโธไปใครหายใจสบายก็หายใจไปนะใครดูท้องพองยุบสบายก็ดูไปใครขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วสบายก็ขยับไปใครเคยกระดุกกระดิกแค่นี้แล้วสบายก็รู้แค่นี้พอแล้วทางใครทางมันนะไม่มีอะไรดีหรือเลวกว่ากันหรอกแล้วแต่ความถนัด เสแล้วเราก็หัดรู้สภาวะเช่นเราพุทโธพุทโธนี่ใจเราฉลับซ้ายฉลับขวานั่นเราค่อยรู้ทันใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้ทันใจเราเป็นกุศลอกุศลคอยรู้ทันนี่เคยหายใจเราก็ดูสภาวะไปหายใจไปใจเฉลับซ้ายฉลับขวาใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลคอยรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจิตมันจะจําได้จําสภาวะได้จิตฉลับไปอย่างนั้นฉลับไปอย่างนี้ฉลับไปทางตาก็รู้ทัน เฉลบไปหูก็รู้ทันเฉล็บไปคิดก็รู้ทันจิตมันเฉล็บไปเฉล็บมาเราเคยเห็นล้สติเกิดเองเลยนะหรือมันเคยจําได้ความรู้สึกต่างๆสุขทุกข์กุศลอกุศลต่างๆจิตมันจําได้แม่นนะเพราะมันเกิดนะสติเกิดเองสติจะเกิดเองนะไม่ได้เจตนาให้เกิดงั้นพอสติเกิดเองเนี่ยบางครั้งสติระลึกรู้รูปบางครั้งสติระลึกรู้นามเลือกไม่ได้ เลือกไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาสั่งเธอจงรู้แต่รูปอย่างเดียวทำไม่ได้นี่พวกเราหลายคนนั่งเฉียงกันสายกายหรือสายจิตดีหรือสายเวทนาดีกว่าอะไรเนะี่ยไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนหรอกทำอะไรแล้วสติเกิดก็ใช้ได้เสร็จแล้วเหมือนกันหมดเลยสติจะรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามนะไม่ต้องมานั่งทะเลาะ ก, กันพวกทะเลาะ ก, กันคือพวกภาวนาไม่เป็น ยันสติมันจะไวหวตัวนะจิตมันไหวขึ้นมันก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวมันก็เห็นเห็นจนอัตโนมัตินะอย่างเจ้าองค์จําได้ใช่ไหมไอ้นั่นนอนอยู่ยังเห็นเลยหลับๆอยู่นะจิตขยับจะไปคิดเห็นนะรู้เลยไม่ใช่ฝันคือคิดเห็นได้ไหวคนทําได้อย่างนั้นก็มีหลายคนไม่ใช่มีคนเดียวหรอกหลวงพ่อจําชื่อจําแท้ไม่ได้ มันจะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกทั้งวันทั้งคืนเลยรู้สึกแล้วเบิกบานด้วยนะไม่ใช่รู้สึกแล้วแข็งทื่อทั้งชาติแข็งทื่อทั้งชาติไม่ใช่นะหลายคนเลยนะคิดว่าพระอรหันต์เนี่ยคล้ายๆผีดิบต้องนั่งไปเรื่อยๆนะแล้ว ถ, ถ้ากระดุกระดิกแสดงว่ากิเลสแทรกทูทำไมมันทรมานปานนั้นเนาะ <c oughs> ยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มก็ไม่ได้ผูกขาดการยิ้มนี่ห้าม ความจริงพระร า, หารหันนี้ยิ้มได้ด้วยจิตทั้งห้าดวงยิ้มได้ด้วยจิตทั้งห้าดวงคือจิตที่เป็นหัสิตุบาทดวงหนึ่งเป็นมหากรุสุจิตประกอบด้วยโสมนัสอีกสี่ดวงไม่ใช่ยิ้มไม่ได้นะมาผูกขาดนี่เราชอบคิดคิดเอาเองอมั่วเห็นพระองค์ไหนยิ้มโอ้ไม่ใช่อะ่ะมีกิเลสมีราคะถึงได้ยิ้มนะบางครั้งก็ท่านแกล้งยิ้มนะ ยิ้มเพื่อให้คนเห็นแล้วมีความสุขจิตใจสงบมีความสุขถ้าจิตใจสงบมีความสุขเรียนธรรมะง่ายหรือคนมีความทุกมานะมามาเครียดมาเลยมาทุกมาแทบจะเป็นจะตายนะมาเจอพระพระก็นะโอ้มันคงตายเร็วกว่าเก่านะมันน่าสงสารนะงั้นค่อยๆเรียนไปนะเรียนไปธรรมะเรียนแล้วมีความสุข เรียนธรรมะที่ดีก็คือเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองกรรมฐานถ้าไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองเนี่ยยังเป็นแค่เปลือกเปลือกเท่านั้นหลวงปู่เทศสอนว่าการปฏิบัติเนี่ยต่อเมื่อเข้าถึงจิตถึงใจนะถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้าเข้าไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้แก่นสารหรอกได้แต่เปลือกนั้นเรียนต้องเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจให้ได้เนี่ยพิชัยใจหนีไปละรู้สึกไหมจิตมันหนีไป ออาเบอร์หนึ่งเกล็งเลยรู้สึกไหมกําลังสบายความสบายหายไปแล้วพ่อหลวงพ่อเริ่มไล่อีกล่ะอา้าวคุณนาส่งกันบ้านหลงแล้วเหรออา่าวพี่ชยัยรู้สึกว่าตึงน้อยลงครับแต่ก็มีตึงน้อยลงแล้วก็มีสลับไปจ้องแต่ว่าก็ยังเห็นว่ามันยังนิ่งๆอยู่ะครับเออใช่ได้ก็ยังหาไม่เจอนิ่งไม่มากานิ่งไม่มากครับว่าพร้อมตึงก็ไม่แทบจะไม่ตึงเลยอื ก็ยังคือใจใจมันยังไหลไปในโลกความคิดนิดๆไหลอ่อนๆอ่ะรู้สึกไหมไม่ไหลฉุดฉาดไม่ไหลรุนแรงครับไหลนิ่มๆเข้าไปก็ให้รู้ทันมันตัวนี้ใจมันมีเขาเรียกว่าอุทธัจจะใจมันฟุ้งซ่านคือมันจะซ่านเข้าไปหาอารมณ์นั่นเองซ่านเข้าไปในโลกของความคิดรู้สึกไหมใจของเราบางทีมันซ่านไปนะมันไหลไปนะมันไหลนิ่มๆไปงั้นอ่ะรู้ไม่ทันมันก็หลงไปเลย รู้ทันมันก็ไม่เป็นไรดีแล้วพี่ชัยดูได้ละเอียดแล้วแล้วความจงใจอะไรยังมีอยู่ไหมฮะหมายถึงว่ามีน้อยมากไปไหมไน้อยลงแล้วพอดีอะไรนะพอดีไหมฮะหรือว่ามากไปความจ ง, จงใจครับจงใจเกินไปนิดนึงนิดนึงนะเกินพอดีนิดนึง จิตใจกระจัดกระจายค่ะอาจารย์แล้ว hmm. ก็อัดออเอาไว้ทือๆซึมซึมนิดนึง่งอด่ดีทำไมต้องกลัวมันกระจายแล้วไปอัดละ่ะอยากดีรู้สึกไหมอยากดีอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานให้รู้ทันความอยากเนี่ยความอยากเนี่บงการเราถ้ารู้ทันนะมันไม่บงการนะความอยากนี้ดับไปปั๊บจิตตื่นได้เต็มที่เลยความอยากมันทําให้จิตนี่แอบทํางาน เนื่อว่าตันหาเป็นผู้สร้างพบพบคือการทํางานของจิตดังนั้นถ้าเราเห็นตันหาเห็นความอยากเกิดขึ้นในจิตนะปั๊บความอยากขาดไปเนี่ยใจก็จะตื่นเต็มที่เลยรู้สึกตัวได้เต็มที่ค่อยๆเรียนไปดีแล้วนะทั้งคู่นะดีขึ้นคุณนาก็ดีนะดีทั้งแถวเลยนะเนี่ยยกเว้นหญิงนะหญิงป้อแปะไปนิดหนึ่งใจถึงๆหน่อยดีเหมือนกันแตดีน้อยน้อยหน่อยแมนป้อแป้ไปนิดหนึ่ ง, ง, ง, ด, นน ด, ด, งดูออกเปล่า ใจถึงๆนะอย่ากลัวอย่ากลัวเวลาที่เพื่อนๆส่งกันบ้านนะหลายคนกลัวนะฟังแล้วกวนนีดีฟอร์ว่าทำไมเราไม่มีเหมือนอย่างเขาไม่จำเป็นต้องมีนะฟังไว้นะทางใครทางมันไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเห็นสภาวะอย่างเดียวกันไม่จำเป็นเลยสภาวะธรรมมีจำนวนมากนับไม่ถ้วนถูกหรือผิดไม่ได้อยู่ที่ว่าเห็นสภาวะอะไรไม่ใช่ว่าเห็นละเอียดดีกว่าเห็นหยาบนะ ไม่ใช่ว่าเห็นกุศลดีกว่าเห็นอกุศลนะไม่ใช่ว่าเห็นสุขดีกว่าเห็นทุกข์สภาวะธรรมเสมอภาคกันจุดที่สําคัญก็คือสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วมองเห็นไหมถ้าเห็นแล้วใช้ได้เหมือนกันหมดเลยอะไรก็ได้นะอันที่สองเมื่อเห็นสภาวะธรรมนั้นแล้วเนี่ยความยินดียินร้ายต่อสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเห็นก็ใช้ได้ถ้าไม่เห็นก็ถูกกิเลสครอบงําจิตจะปรุงแต่งทํางานขึ้นมาอีกจิตไม่เป็นกลาง แต่ถ้าเห็นต่อไปจิตจะเป็นกลางมากเข้ามากเข้านะเป็นกลางเองอะสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการที่วัดได้เมื่อเราวัดด้วยสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้วัดว่าเขาเห็นอันโน้นเราไม่เห็นอันนี้ท่าจะแย่แล้วไม่ใช่ไม่มีใครเห็นทุกอย่างหรอกยกเว้นมนุษย์ประหลาดจริงๆนะที่ลองผิดลองถูกเยอะๆไอ้นี่ก็เป็นไอ้นี่ก็เป็นนะอ้ไปเชิญ พระอาจารย์ค่ะนี่เป็นครั้งที่สองที่ไปฟังเทศพระอาจารย์ที่นี่ก็รู้สึกดีเมื่อกี้ได้รับหมายแล้วรู้สึกตื่นเต้นเห็นความตื่นเต้นดีนะของโยมยังบังคับตัวเองเยอะไปนิดนึงตั้งใจค่ะรู้สึกเหมือนกันว่าตั้งใจเกิดแล้วก็เกรงเกรงอ่ะดีดีหัดรู้อย่างนี้แหละรู้จนวันหนึ่งเราไม่ปรุงแต่งเราจะเห็นรูปเห็นนามอย่างที่เขาเป็นจริงๆเช่นตื่นเต้นไม่ได้อยากให้หายนะ ถ้าตื่นเต้นแล้วพออยากให้หายนะหรืออยากขมไปเนี่ยเราถึงจะปิกเกรงขึ้นมาเพราะฉั้นเก็งๆเนี่ยเป็นผลจากเราไม่ชอบตื่นเต้นหรือไม่ก็กลัวหลวงพ่อเนเลยเกรงเตรียมต่อสู้หลวงพ่อเต็มที่อยากตอบค่ะอยากยากอยากคุยกับพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกตั้งใจมากเนี่ยให้รู้ทันตัวเองน ะ, ะยังบังคับอยู่ะอะส่งต่อไปโอวันนี้โ้รู้สึกประคองอยู่ค่ะ แต่จิตยอดใช้ได้จิตก็มีกําลังอยู่ประคองเกินไปนิดนึงใช่รู้สึกตึงเกินไปนิดเดียว <มะ S 2> ตึงเกินไปนิดเดียวแต่ความรู้สึกตัวนั้นก็ใช้ได้ครับเพราะว่าโอ๊ทําในรูปแบบเพิ่มเหมือนเดิมดีดีนะ เ, เวลาเราทําในรูปแบบเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะตึงเกินไปนิดนึงให้เรารู้ทันถ้ารู้ไม่ทันยิตึงตยิ่งถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์บอกนะยิ่งตึงเรายิ่งภูมิใจนะหลวงพ่อเคยเป็นนะ ภาวนาจนแข็งปฟกเลยรู้สึกดีถ้าจะอย่างเงี้ยจะบรรลุแล้ว <c oughs> นะบางทีโอก๋ก็หมุ น, นี้อาจะเห็นว่าเหมือนกับว่าครั้งครั้งมันหมุนเตี้ยนะ น, นนะหลงละลงไปดูเขา้าเห็นไหมหลงไปสนใจเขา้าลืมตัวเองอ่ะโอ๋ต่อมันเหมือนกับโอ๋รู้สึกได้ว่ามันเหมือนกับหมุนตี้ยมากเลยค่ะหลวงพ่เอเหร อ, หรอ พอรู้สึกปุ๊บก็บางทีมึงก็โอกระคลายออกอย่างนี้ยค่ะเหมือนกับว่าไม่ไปสู้กับมันมากเกินไปมันอะไรนะหมายทีเมื่อกี้ไหม่มันห่างบางครั้งโอรู้สึกว่ามันเป็นเองค่ะหลวงพ่อมันเหมือนกับว่ามันหมุนหมุนหมุนหมุนเหมือนกับว่าเรารู้จนมันหมุนอยู่ข้างในใช่ไหมคะหมุนหมุนอยู่อ่ะแล้วพอรู้บางทีโอก็คลายออกมาหมายถึงว่าคลายตัวออกไปไม่ให้มันแบบเหมือนต้านกันมากเลยนะคะค่ะแล้วก็บางครั้งโอ อยากถามหลวงพ่อว่าไม่ไม่ทราบผมคิดไปเองหรือเปล่าบางทีเหมือนกับว่าโมทำใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้นะคะแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งจิตมันมันอยากลงไปในสมถะเองหรือแบบมันอยากพักเองผมก็ปล่อยมันเข้าไปให้มันพักเวลาจิตต้องการรวมลงไปพักนะอย่าไปฝืนให้มันพักไปแต่พอพักพอสมควรแล้วเนี่ยมันขึ้นมาให้มันขึ้นเองอย่าดึงมันขึ้นมาถ้าดึงขึ้นมาปวดหัว แต่ถ้าพอดึงขึ้นมาแล้วใจก็ยังค้างในอารมณ์ซึมข้างในอยู่นะอันนี้ต้องจัดการอันนี้ไม่ดีติดสมถะบางครั้งผอมอเป็นอย่างนั้นนะคะ ม, มันเหมือนกับค้างอยู่อย่าให้อารมณ์มันค้างนะเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาอยู่กับโลกนี่เราใช้ความรู้สึกอย่างนี้ปกติของชาวโลกนี่ดีที่ทําอยู่ดีวัตตะจริงๆไม่ได้เป็นหมุนอยู่ที่ไหนหรอกวัตตะจริงๆหมุนอยู่ในจิตนี่เอง สติปัญญาแก่รอบขึ้นมาจะเห็นเลยวัตตนิหมุนจีอยู่ข้างในนะหมุนจีจีจี จ, จีดูวไปจะข้ามพบข้ามชาติก็ข้ามกันตรงนี้แหละภาวนาเก่งคำออะไรคะเลยไม่เก่งเลย <laughs> มัวไปหมดเลยไหมเพราะว่าตื่นเต้นกับวัตต์ <laughs> วันนี้มาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาจะขี้เกียจมากแล้วรู้สึกว่า ย, ยัางพยันไม่พอ ก็สภาวะที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพูดดังๆนีดหนึ่งสภาวะที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเพลอคิดอพลค่ะอถ<ล>ู ก, กต้องแล้วรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์กับมันเพราะว่าเราบังคับให้มันหยุดไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับได้ด้วย <S <s นะไม่ใช่ว่าพระอาหารหันต์บังคับได้นะทำทั้งหลายมันเป็นอนาาัตตาบังคับมันไม่ได้รู้มันได้ มันเป็นไปตามเหตุของมันไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงอย่างนี้แหละเป็นวันหนึ่งใจเรายอมรับความจริงนะกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุของมันใจก็สงบสันติเป็นกลางมีความสุขนะถ้าใจมันเลิกปรุงแต่งแล้วมันยอมรับสภาพเมื่อวานมีหนุ่มคนหนึ่งเป็นมะเร็งมาเป็นมะเร็งอาการไม่ค่อยดีแล้ว ผมร่วงไปหมดแล้วให้ยาใจฝ่อท่อแท้บอกมาถามหลวงพ่อทำไงจะอยู่กับมันได้ยังมีความสุขทำไงชีวิตมันจะสงบสุขเพราะตอนนี้ในจิตใจเศร้ามากบอกอย่าไปเกลียดมันสิมันเป็นมะเร็งนี่นะมันหนีมันไม่ได้นี่มันเป็นไปแล้วอะถ้าใจเราไม่อยากเป็นนะใจเราทุกข์เยอะนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเออมันเป็นร่างกายให้มันเป็นไปมันช่วยไม่ได้มันต้องเป็นแล้วรักษาไปสิ ใจอยู่ต่างหากใจก็ไม่ทุกคือถ้าหากสภาวธรรมคือจริงๆแล้วตัวรูปตัวนามเนี่ยล้วนแต่ตัวทุกข์ทั้งนั้นอะรูปนามเป็นตัวทุกข์ถ้าเราสามารถอยู่กับมันได้ด้วยความเป็นกลางจริงๆอยู่เหมือนดอกบัวอยู่ในน้ําแต่ไม่เปียกน้ำอะถ้าเราฝึกไปถึงจุดหนึ่งจิตใจเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะมีความสุขได้นะธาตุขันธ์นี้แปรปรวนไปยังไงจิตใจก็ยังสงบสุขอยู่ได้เราค่อยๆฝึกไปอย่าขี้เกียจ น, นะ ปัญหาใหญ่ของเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเปล่าไม่รู้นนะหลวงพ่อแก่แล้วเห็นใครมันก็เด็กหมดอะคือมันขี้เกียจยังรู้สึกว่าอีกนานกว่าจะตายไม่แน่นะเด็กๆ เ, เป็นมะเร็งก็ตั้งเยอะแนะ น, น่ตอนนี้เห็นหรือเราไม่ยอมฝึกฝนไว้เวลาเกิดปัญหาชีวิตนะอย่างเราเจ็บป่วยกระทันหันอะไทำใจไม่ลงทุรนทุรายมีความทุกข์เยอะต้องฝึกนะต้องภาคเพียรอดทน มันคือการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองนะลงทุนดีแล้วค่อยหักไปรู้สึกว่าตัวเองมีกิเลสเยอะอะค่ะดีสิแต่ว่าเวลาปัญหามากระทบเนี่ยจะไปเต้นตามมันน้อยลงอเออนั่นแหละดีภาวนาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละรู้สึกไหมปัญหาไม่เคยหมดค่ะปัญหามาตลอดเวลานะไม่ปัญหา ครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตปัญหาการงานไม่รู้จะมีปัญหาอะไรก็เปิดโทรทัศน์ดูปัญหาการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับเขาเท่าไหร่เอ า, านะรุ่มใจนะปัญหาเยอะแยะเลยแ ต, แต่ว่าถ้าใจเราเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะเฮอให้โลกมันแตกไปเถอะนะดีอา้าวอ้อวันนี้ดูดีนี่แต่ว่าก่อนหน้านี้มัน รู้แบบทื่อๆอะค่ะมันจะหวงไปเลยแล้วพอรู้ปุ๊บมันก็ทื่อๆมันไม่ได้สว่างไม่ได้สดชื่นมันดีตรงที่มันรู้แล้วใจมันไม่ดิ้นค่ะค่ะนั่นแหละใจมันไม่ดิ้นดีตรงนั้นแหละอ๋อแต่มันไม่ทื่อไปหรอคะทื่อไปค่ะแต่ว่าถ้าพูดอย่างยุติธรรมนะมันทื่อพอดีมันทื่อพอดีกับเหตุของมันแล้วจอยหลงอยู่นี่มาได้ไง ลงพ่อคือว่าช่วงนี้ที่จะนับนับนะค่ะมันก็ไปได้ประมาณสิบห้านิดเดียวแล้วก็มันก็กลับมาที่หกอีกอะไรนะไอ้ที่นับตอนอาทีอะค่ะมันตอนแรกมันก็ตอนช่วงที่ผ่านมามันก็สักสิบห้าสิบหกแล้วมันก็ลงมาเหลือหกแล้วมันก็เกริ่มฟุ้งซ่านแล้วพอฟุ้งซ่านเสร็จันก็รู้สึกว่าเวลาที่มันมีเรื่องที่เข้ามาต้องคิดอะค่ะ เวลาฟุ้งซ่านเนี่ยตอนแรกมันก็คิดเป็นระบบดีค่ะพอตอนไปสักพักหนึ่งมันเริ่มแบบไม่รวนไม่เป็นระบบก็เลยฟุ้งซ่านไปอีกแต่ว่ามันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจคร น, นี้เนี่ยมันจะมันจะอยู่ตรงไหนที่มันจะพอดีที่เราไม่ต้องไปเวลามีเรื่องต้องคิดก็ต้องทําสมาธิขึ้นมานิดหนึ่งให้ใจตั้งมั่นกันให้ใจจดจอ่อในเรื่องนั้นไม่ให้แกว่งบังคับไว้อันะนี้ไม่ใช่กรรมฐานนี้เราจะใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาในทางโลก งั้นบางครับมันจดจ่อลงไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคือช่วงเมื่อวานเองพอดีว่ามันเหมือนกับจะไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่ามันเหมือนร่างกายมันมีปฏิยาต์ตอบรับกับข้างนอกไปเองกิริยามันไปเองแต่ใจส่วนข้างในบางทีมันก็รู้สึกทุกๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันอยู่เป็นคนละส่วนก็ดีนะกายก็อันนึงใจก็อันนึงมันแยกกันแต่ละคนก็ทาหน้าที่ของมันไปไม่ก้าวไายกัน มันแต่เป็นโมเมนต์เดียวที่มันเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอก็อย่างดนะีมีตัวอย่างให้ดูจะ <c oughs> ไปเห็นอะไขันแต่ละขันนะทำงานของเขาเองขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราค่ะเช้านี้นั่งรถมาพอดีเห็นอุบัติเหตุนนะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าแต่ไม่กลัวนะเจ้าค่ะแต่ใจมันเต้น แ, แรงแล้วก็รู้สึกหนักๆแต่ก็เป็นอยู่ไม่นานเจ้าค่ะก็หายเจ้าค่ะเจ้าดีแล้วปกติ เห็นคนถูกลับรถทับตายเละเทเฉยๆผิดปกตินะก็ปกติของเรามันต้องตื่นเต้นก็ต้องตื่นเต้นสิไม่ใช่ฝึกจนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่สำคัญอยู่ที่รู้ทันเท่านั้นเลยหลงพ่อมารถคันเดียวกันค่ะก็สภาพเดียวกันก็รู้ว่าใจหนักๆก็ดูแผลเม่หลังจากที่เห็นเขาหามศพขึ้นรถนะฮะก็ แค้เมตตาแล้วก็ดูดับคก็ค่อยๆเบาลงแต่เคยครั้งหนึ่งนะคะหลวงพ่อที่ข้างนั่งภาวนาอยู่จิตคิดเนี่ยก็รู้ว่าคิดเหมือนกับพอรู้ว่าคิดเนี่ยลอดเีออนเนี่ยดับปั๊บทันทีอันนี้จะค่อยๆเบาลงก็ดับอย่างนั้นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอะไรนะดับที่ดับที่เหมือนกับลอดนนออนเนี่ย พอรู้ว่าคิดใช่ไหมฮะดับเลยขัดเลยฮะก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรรู้แต่คิดนั่นแหละดีแต่แต่อันที่เช้านี้นี่ดูเนี่ยค่อยๆเบาลงอย่างนั้นก็ก็ใช้ได้อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้นะสภาวะทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์ทั้งนั้นค่ะกลับเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะเอช่วงนี้รู้สึกว่าให้ซึมนะโมหะเยอะโมหะเยอะมากแล้วก็ เคยเห็นเขาเป็นก้อนหนักขึ้นมาที่หน้าอกเนี่ยแล้วก็ตามดูไปจนกระทั่งมันจางจางจนกระทั่งดับอย่าไปเกลียดมันก็แล้วกันก้อนเนี่ยแต่พอดับแล้วเราก็ตามดูจิตต่อไปเนี่ยเห็นว่าเขาไหลเข้าไหลออกคิดเรื่องนู<ๆ>้นเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วบางครั้งมันรู้สึกว่าเราทุกข์ก็เอ๊ะทำไมคิดแล้วทุกข์เราก็ไปเห็นว่าเราเนี่ยจิตปรุงแต่งขึ้นมาทําให้เราเกิดความทุกข์พอรู้อย่างนี้ก็ก็เหมือนกับว่าถอยออกมาคือดูแล้วก็ถอยกลับมาเก็รู้สึกว่าเขาเบาลงออื ก็ดีแล้วละนี่พวกเราพอนาเก่งๆขึ้นเรื่อยๆนะค่อยๆเรียนรู้ไปดีแต่วันนี้ใจไม่มีแรงใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมมันซุงสั้นหลอกแหลกหลอกอยู่ข้างนอกเพิ่งมาวันนี้ค่ะแล้วไงอ่ะก็รู้สึกว่าสภาพจิตใจที่ผ่านมาเนี่ย ทำใจได้ดีขึ้นกว่าเมื่อเมื่อหลาเมื่อปีที่แล้วหรืออะไรประมาณนี้นะะพยายามควบคุมได้เยอะขึ้ น, <g ül> นแต่<ร> <identical S 1> แก็ยัง<ร>มีหลุดหลุดอยู่บ้างคว<ร>บ <c ười> คุมใจไว้ได้ก็ดีไม่เกเรกับคนอื่ น, น <c ười> แต่เราหัดดูใจของเราพัฒนาไปจากขั้นของการควบคุมควบคุมนี้คือเรามีศีลไว <c ười> ้ศีลควบคุมไม่ให้เราเกเรไปตามอานาจกิเลส อย่างใจมันโกรธขึ้นมาอยากด่าเขาเราไม่ดา่าเรามีศีลไม่กันแนะกะันแหน่เขา้าเรามีศีลอย่างนี้ดีแต่ต่อมาเราก็พัฒนาขึ้นไปอีกสังเกตใจของเราใจของเราดิ้นหลุกลิกหลุกลิกไม่เคยสงบเลยรู้สึกไหมให้รู้ไปเรื่อยๆนะใจมันจะค่อยๆสงบขึ้นมาใจมันจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาใจิตใจจะมีความสุขเสร็จ แ, แล้วเราก็จะตามรู้ตามเห็นเห็นร่างกายเห็นจิตใจนะทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เคยคงที่เลย ในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้เลยกายนี้ใจนี้มันทํางานได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกพอเห็นว่ามันไม่มีตัวเราเนี่ยที่ตั้งของความทุกข์จะไม่มีทุกวันนี้ความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายที่ใจพอรู้สึกเป็นของเราเป็นตัวเราขึ้นมาเราก็เลยมีความทุกข์เยอะแยะพอเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรานะมันก็ยังมีบ้างมันยังปล่อยวางไม่ได้แต่ไม่จะทุกข์น้อยลงน้อยลงตอนนี้แอบไปคิดแล้วรู้ไหม ให้รู้ทันนะเนี่ยจิตที่ตื่นเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมมันตื่นมันเบิกบานขึ้นมารู้สึกไหมรู้สึกค่ะนั่นแหละนั่นคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ตอนเนี้จิตผู้รู้ผู้ตื่นดับไปแล้วกลายเป็นจิตผู้คิดผู้นึกอีกแล้วรู้สึกไหมกลายเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอีกแล้วยังคิดไม่เลิกรู้สึกไหมรู้สึกเนี่ยมันขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้อย่างเนี้ยพอรู้ทันจิตผู้คิดมันก็กลายเป็นจิตผู้รู้ เป็นจิตผู้รู้แล้วหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันก็เป็นจิตผู้คิดอีกเนี่ยตอนนี้เป็นจิตผู้คิดอีกแล้วรู้สึกไหมอย่างเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆนะมี2องันนะมีจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคอยดูไปเรื่อยๆพอไหวไหมไหวค่ะเออเห็นไหมง่ายกรรมฐานหมูจะตายครับก็เห็นกิเลสนะฮะกิเลสมัทีมันตัวเล็กๆนะครับผมเช่นวันทีเราอยากไปกินอาหารร้านนี้นะฮะแล้วเราก็ไม่ไป คือดูมันสะสมไปเรื่อยๆฮะสักเดือน2เดือนสเดือนสเดือนเก็บปวดไปเรื่อยๆหรือว่าดูไปเรื่อยๆไม่ใช่นะไม่ ใ, ม ใ, มใคือคือเห็นเห็นกิเลสมันแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ตอบสนองมันไงฮะอูะไม่คิดเลยว่าพอสักสะสมไปนานๆแล้วมันจะหูทุกข์มากขนาดนั้นแค่ว่าไปกินร้านอาหารร้านเดียวเลยเนี้ยฮะเกิด <ๆ S 1> ความทุกข์อย่างมากมายเลยฮะใช่ใช่พอเราไม่ยอมตามนี่นะจะเห็นทุกข์ที่สาหัสเลยยิ่งบวชเป็นพระนะยิ่งหนักกว่านี้อีกหลายเท่า เป็นโยมมันรู้เนี่ยจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเป็นพระเขาไม่นิ ม, มนต์ไปร้านนี้สักทีร้านนี้ก็ไม่มีใครรู้จักเลยทั้งประเทศอ่ะใครจะนิ ม, มนต์ไปน ะ, ะเคยมีพระองค์หนึ่งนะท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นลูกเศรษฐีอยู่เชียงใหม่ลูกชายคนเดียวเลยเสร็จแล้วมาบวชศรัทธาหลวงปู่สิมมมาบวชเสร็จแล้วมาอยู่กับหลวงปู่เทศบอกว่าท่านวันหนึ่งนะเห็นเดินไปแล้วเห็นเขาขายลึ เขาขายข้าวเหนียวถั่วดําหรือเขากินข้าวเหนียวถั่วดำไม่รู้จำไม่ได้มันอยากขึ้นมาอยากกินก็ทุกวันก็บินทบานนะว่าเมื่อไหร่จะได้ข้าวเหนียวถั่วดํามาพูดไม่ได้นะขอเขาไม่ได้นะทุกวันทุกวันวันหนึ่งเห็นแล้วมีคนใส่ข้าวเหนียวถั่วดํามีหลายถุงด้วยท่านเป็นพระเด็กเนี่ยท่านเดินหลังใช่ไหมเขาก็ใส่ใส่มาหมดที่ท่านพดนะอดีอีกวันหนึ่งต้นนา น, าน อาคราวนี้ได้นะใส่ลงมาในบาตรท่านดีใจวันนี้อดมานานละ ว, วันนี้จะฉันข้าวเหนียวตัว ด, ดํานี่ธรรมเนียมวัดป่าเนี่ยอาหารพ่อบินธ บ, บานมาเอาไปเทรวมกันพระผู้ใหญ่หยิบก่อน <c oughs> เกิดเจอพระผู้ใหญ่ชอบฉันข้าวเหนียวตัว ด, ดำหมดเลย <c oughs> ท่านบอกร้องไห้เลยนะเนี่ยมันทรมานขนาด น, นี้กีเลศ น, นะเพราะฉะนั้นการที่บวชนี่นะมันเหมือนเราเข้าสนามรบจริงๆเลยถอยไม่ได้ต้องสู้ตาย เป็นโยมมันยังมีทางถอยนะทนไม่ไหวจริงๆก็หลอกตัวเองไป เ, เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปนมันยังมีความหวังว่าจะได้เพราะงั้นจิตใจของโยมภาวนานะมันจะไม่เด็ดเดี่ยวสู้ตายมันใจพระนะถ้าใจพระเนี่ยมันคล้ายๆหลังชนกําแพงแล้วไม่มีทางสู้แล้วมีแต่กิเลสครอบงําได้ก็ทุกไปเลยนี่ข้อดีของการเป็นพระนะคืออดข้าวเหนียวตัวดํา อจะร้องไห้เลยนะแบบนอนอยู่ในป่านะร้องไห้สงสารตัวเองนี่นะครับแล้วก็คือมีครั้งมีกนังเดินเดินอยู่ข้างถนนนะฮะแล้วก็รถที่ขับมาเนี่ยบีบแต่ใส่ดังมากเทีนี้มันมันโกรธมากเลยฮะมันโกรธแล้วเห็นเห็นจิตมันพุ่งแล้วก็มันเหมือนจะออกไปทางปากอยู่แล้วนะฮะคือคําพูดเนี่ยคิดมาแล้วแหละแล้วก็ป่ากกำลังอ้าออกมาแล้วแล้วก็คําพูดหลวงพ่อพูดขึ้นมาว่า เออโกรดอะไรนั่นโกรดอยู่ในใจแต่ว่าอย่าให้ล้นอย่าให้ล้นามาทางกายนะฮะมันก็เลยก็เลยเออไม่ว่าก็ได้อะไรเงี้ย <laughs> ตัวนี้เรียกว่ามันมีเจตนาที่จะงดเว้นเจตนางดเว้นเรียกเจตนาวิรัตินั่นแหละคือตัวศีละละดีหลายคนหลายคนทําร้ายคนอื่นด้วยปากนะร้ายนะลยแล้วก็เห็นว่าบางทีถ้าเกิดมีความสุขนะฮะ มันก็จิตมันก็ไม่เป็นกลางก็คือมันก็จะเผลอเพลินไปเลยแล้วก็แต่ถ้าเกิดมีความทุกเนี่ยมันจะเริ่มคือต้องเข้าไปจัดการอะไรสักอย่างแล้วแหละรู้สึกว่ามันต้องเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะขจัดไปความทุกนี้ออกไปให้ได้ดีที่เห็นนะดีที่เห็นเวลามีความสุขก็เผลอเพลินเรื่องนั้นทีิรักะเวลามีความทุกข์ก็อยากเข้าไปจัดการเห็นไหมเพื่อว่าตัวเราจะได้มีความสุขมันเซฟตรงนี้เซฟตัวเราให้รู้ทันลงไปเรื่อย ความทุกข์นะเป็นของดีนะความทุกข์เป็นบทเรียนเอาไว้เรียนรู้อย่า ก, กลัวความทุกข์นะความทุกข์ปัญหาชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราผ่านปัญหาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะเรากแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่เวลาเราเผชิญปัญหานะรู้สึกแย่จังแย่จังพอปัญหานั้นผ่านไปได้แล้วนะเราจะแกร่งขึ้นก็รู้สึกตอนนี้รู้สึกเสื่อเสื่อมซึมๆึา รู้สึกเซื่องึมใช่ตอนแรกมาก็รู้สึกเหมือนง่วงนอนแล้วก็เลยเแบบซึมซึมแล้วถ้าหลวงพ่อเทศตลกก็หัวลอกขึ้นมาก็รู้สึกสดชื่นขึ้ น, นมาหน่อยเดี๋ยวหลวงพ่อว่าจะไปหาคู่มือเทศตลกมาเ <c oughs> นี่ยหลวงพ่อเทศตอนหลังอาหารเข้าใจไหมมันต้องพยายามให้มันตื่นตัวถ้าให้หลวงพ่อเทศนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ <c oughs> เมื่อก่อนตอนมีค า, า, ารวะเราเคยฟังวิทยุติหนึ่งตีสองนะมีพระท่านเทศนะหายใจเข้าพูหายใจออกโทนะพุทโททีเดีหลับไปเลยนะมันต้องคึกคักไว้นะแต่ว่าไม่ใช่คึกขนองคึกคักกับคึกขนองไม่เหมือนกันนะคึกขนองมันตามใจกิเลสไปอา้าวหายง่วงแล้วต้องให้ตลกถึงจะหาย ตอนช่วงนี้ค่ะจะมีปัญหาเยอะในหลายหลายเรื่องใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้จิตเราฟุ้งซ่านน่ะเราเราคิดเยอะมันก็เลยฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านปุ๊บเราก็รู้พอรู้เสร็จปุ๊บมันก็เหมือนมีเหตุการณ์มันก็พยายามมันก็มีจิตให้เราคิดมันพยายามให้เราคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาค่ะใช่เราก็เลยค่อยค่อยดูมันไปเรื่อยๆเราก็ดูทันมันไปเรื่อยจนมันซึมลงซึมลง ต่ตอนนี้ใจเราก็ซึมเหมือนกันนะคะอ้าวทำไมรู้ทันแล้วซึมลงซึมลงอ่ะอไม่ถึงว่าใจเราซึมเราเห็นว่าใจเราซึมไปอ่ะค่ะพอเราพอเราดูแล้วเราทุกข์ทุกข์แล้วใจเราซึมอะค่ะซึมเพราะเราไม่ชอบมันหลายคนพอเห็นความทุกข์นะแล้วน้อมใจให้ซึมซึมจะได้ไม่คิดมากเป็นวิธีหนีความทุกข์อีกแบบเนี่ยซึมๆึมะแกล้งซึ้บู่ไปเรื่อยๆคนแกล้งมากๆนะหลุดโลกไปเลยคนทุกข์มากๆถึงได้ทําเป็นบ้าไปเลย บ้าไปเลยได้ไม่ต้องรู้เรื่องอะไรใจช่วยนะความทุกข์เป็นของดีนะถ้าชีวิตมีแต่ความสุขโอ้หลงระเริงพวกเทวดาบ่นนะบอกอายุมนุษย์นิดเดียวนะทําไมหลงระเริงจังเลยมนุษย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์หลงระเริงเพราะอายุสั้นพวกเราเทวดาทั้งหลายหลงระเริงได้เพราะอายุยืนนะพวกฟลอมก็ดูเทวดาทําไมมันโง่มันหลงระเริองอายุมันนิดเดียว มันดูแต่คนอื่นงั้นเรียนกรรมฐานดูตัวเองถ้าดูคนอื่นมันจะโทษเขาไปเรื่อยว่าเขาไปเรืยพอไม่จะมาถึงใจมันก็เตรียมตัวไหวนิดนึงแต่ตอนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เบาๆสบายๆดีกว่าช่วงเชา้าช่วงเช้าไม่มีแรงอพอฟังหลวงพ่อเทศไปแล้วซาบซึ้งในคำสอนก็มีกำลังขึ้นมา อ, มอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าวันนี้จิต ทำงานให้ดูเยอะเพราะเดี๋ยวมันวันนี้มันรู้สึกมันจะเหนื่อยง่ายซึมง่ายอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เฝ้ามองไปเฉยๆครับหลวงพอ่อดีแล้วดีแล้วความจริงพวกที่มากับเก่านะไม่เห็นน่ากลัวเลยนะเขารู้อยู่แล้วว่าจะโดนอะไรหลายคนก็เตรียมว่าถ้าหลวงพ่อถามจะตอบวันนี้จะต้องตอบอย่างนี้นะเนี่ยนี่พวกมาบ่อยๆรู้นี่ว่าตอบอยังไงแล้วได้คะแนนโพราะมาซ้อมคัดกันบ้านหน้าวัดกูเยอะนะ <laughs> อย่านึกว่าไม่รู้นะไอ้พวกใจไม่ปกติแมแต่อธิบายธรรมะเป็นฉากฉาก <laughs> เนี่ยนักรบนักรบวันนี้กระจายหน่อยครับหลวงพ่อแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่เหมือนกับจิตมันพยายามรู้ตรงที่เวลามีเวลาคิดแล้วมีการปรุงแต่งหรือมีอารมณ์ขึ้นมา ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะดูพวกมันก็เห็นมานะเป็นตัวตนขึ้นมาพอคิดป๊บยิ่งถ้าคิดแรงขึ้นหน่อยเนี่ยมานะก็มากขึ้น <ừ> ยิพูดออกมายิ่งมานะมากขึ้นเห <ừ> มือนกับที่ครูบาเ <ừ> ทศสอนวันนั้นเนี่ยมัน <ừ> ก็เห็นเห็นจริงๆเลยครับดีนะดีแล้วนักลบเห็นกิเลสตัวเองดีที่สุดเลยแหละเราชอบเห็นกิเลสคนอื่น <laughs> เห็นกิเลสคลนอื่นแล้วกิเลสเราเยอะ เราเห็นกิเลสของเรานะเราจะยิ่งมีความสุขขึ้นเรื่อยๆมันฉลาดนะมันเข้าใจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นพอเราเข้าใจตัวเองนะว่าเราเองก็ถูกกิเลสผลักดันอยู่เราจะเข้าใจคนอื่นด้วยคนอื่นเขาก็ถูกกิเลสผลักดันเหมือนกันมันเห็นอกเห็นใจกันนะมันรู้สึกแต่ละคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันไม่ใช่ศัตรูกันใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างแต่เดิมเราจะเกลียดคนนี้เยอะเลยหรือเราชอบคนนี้เยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องเกลียดคนอื่นมันอดไม่ได้นะ แต่พอเราดูใจของเราเราเห็นเลยใจเราถูกกิเลสครอบงำเรื่อยๆแต่ทั้งใจเราก็เป็นแบบเดียวกันใจเขาก็เป็นแบบเดียวกันเรียกใจเขาใจเราไม่เข้าใจนะเห็นคนชั่วๆรู้สึกอนาถสงสารมันไม่ได้เกลียดมันหรอกเห็นแล้วอนาดใจแล้วก็มาสลดใจตัวเองว่าเราสมัยที่ไม่รู้ทันนะเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใจเราจะค่อยๆเรียนรู้มานะตามจะลดลงลดลง มาหน้าตาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกว่าคนอื่นกูดีกว่าคนอื่นพอเราเห็นเรารู้ไปเรื่อยมันก็เหมือนเหมือนกันแล้วใจก็เป็นกลางมีความสุขเยอะขึ้นพอมันตั้งท่ามีตัวตนปุ๊บมันก็จะไปไปจิตคนอื่นได้แต่มันต้องตั้งก่อนเอมันเหมือนพอมีตัวตนแล้วครับนี้อารวาสได้ลนะเออเนี่ยนักรบดูไปนะแล้วชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนักรบดีแล้วนะใจโล่งและ คจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาเราเรารู้เท่าทันในในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นช่วงๆคือบางทีเราเราเห็นความอยากก็จะเป็นช่วงหนึ่งระยะหนึ่งก็จะเห็นแต่ตัวอยากตัวอยากตัวอยากพ อ, อสักพักหนึ่ง อ, อาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็จะเห็นแต่ตัวเนี้ย แล้วเดี๋ยวพอบทมันจะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นอีกตัวหนึ่งมันเรียนสภาวะไปบางกี้เห็นแบบมานะอัตตาตัวตนตัวเองก็จะเห็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นช่วงๆอ่ะจะเกาะอยู่เป็นช่วงๆอ่ะค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเห็นความปรุงแต่งตัวเองก็อย่างเงี้ยมักจะเป็นอย่างนี้เสมอๆนี่อันนี้เป็นเป็นปกติหรือเปล่าปกติปกติคือในช่วงนั้นพอเราเราแต่เดิมไม่เคยเห็นตัวนี้พอเราไปเห็นนะใจมันสนใจ สนใจมันจะคอยดูตัวนี้เรื่อยๆในขณะนั้นไม่ใช่ตัวอื่นไม่มีหรอก <c oughs> แต่มันเพ่งเล็งมาดูตัวนี้มันเรียนรู้ <c oughs> เป็นอาการที่ใจมันจะเรียนรู้สภาวะรู้ไปรู้ไปจนมันเข้าใจท่องแท้เลยตัวนี้เกิดจากอะไรพอถึงตัวนี้เกิดจากอะไรเข้าใจแล้วนะตัวนี้จะไม่เอาละไปดูตัวอื่นละไม่ไม่ใช่เราไปเกาะติดอารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นนิสัยขอโทษนะมันเป็นสันดานของคนที่จะเป็นครู <laughs> เวลาจิตไปเห็นสภาวะนี่นะมันจะเวียนเรียนอยู่จนกระทั่งรู้ว่าเกิดจากอะไร <c oughs> รู้ว่าเกิดจากอะไรถึงจะยอมนะ <c oughs> แต่ว่าอย่าไปคิดเอานะว่าเกิดจากอะไร <c oughs> คิดเอาล้วฟุง้งซ่านเราดูไปเรื่อยๆแต่ไปพอเรารู้อ้อมันเกิดมาเพราะอันนี้ต่อไปมันจะไม่ไม่หลงกับตัวนี้ละรู้สึกจืดชืดที่จะรู้ตัวนี้ล <c oughs> นะมันจะรู้สีอ่อันะถ้าพวกอภิธรรมเขาเรียกว่าลัคณาที่จตุกะ คือลักษณะองค์ประกอบสอย่างของสภาะวะธรรมนะซึ่งมีลักษณะเป็นเบื้องต้นหมายถึงว่าอันแรกเชนะ่นโทสะเนี่ยมีลักษณะร้อนนะพุ่งขึ้นมาแรงๆนะนะผัวพุ่งขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ออกมาทําลายล้างสิ่งโน้นสิ่งนี้นะแลนะนะ้วก็ถ้าทำมันทำงานขึ้นมาแล้วมันจะมีผลยังไงเนะี่ยมันจะค่อยๆเห็นเป็นลําดับไปตัวมันเป็นยังไงมันทําหน้าที่อะไร ทำหน้าที่แล้วมีผลเป็นยังไงนะตัวสุดท้ายที่มันจะแจ้งนะก็คือมันเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุใกล้ของมันนะพอเรารู้ว่าตัวนี้มาจากอะไรนะต่อไป น, นี้ใจไม่สนใจตัวนี้แล้วจะไปเพ่งเล็งตัวอื่นต่อไป อ, นะอันนี้คนอื่นไม่เกี่ยวนะอันนี้สําหรับคนที่จิตใจมันจะไปเป็นครูครับทีนี้ทีนี้ที่หลวงพ่อบอกตอนแรกว่าไอ้ตัวสรุปอะค่ะตัวสรุปเนี่ย เรียนถามหลวงพ่อว่ามันอย่างเราสะสมในเชิงปริมาณเนี่ยเราเราสะสมของเราไปเรื่อยแต่มันไม่สรุปทีนี้จะปฏิกิริยาของของจิตเวลามันสรุปเนี่ยมันมันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจทีละน้อยละน้อยหรือว่ามันจะต้องสรุปขาดเลยคะถ้าจิตมันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะจะฉับพลันต้องฉับพลัน งั้นไม่ใช่อริยมรคค่อยคอยเกิดอาเกิดได้สามวันแล้วครบแล้วได้โสดาไม่ใช่นะไม่ใช่แบบน้ําค่อย ค, อยคอยซึมนะ <c oughs> เหมือนฟ้าแลบฟ้าผ่านนะเปลี้ยงเดียวขาดเลย <c oughs> คือคือที่โยมหมายความว่าที่พูดนี่หมายความถามหมายความว่า เ, เวลาเวลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยเวลาเราเห็นในแต่ละสภาวะเนี่ยมันมันจะค่อยๆเข้าใจที่ <c oughs> มันเกิดขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะค่อยๆ่อซาบซึ้งลงไปซาบซึ้งลงไปทีละน่อยละหน่อยใช่าั้นนะคะ คือปัญญาก็จะเกิดเป็นลําดับลําดับไปแต่เวลาปัญญาจะเกิดในแต่ละจุดนะมันก็ปิ้งขึ้นมาทีละจุดทีล ะ, ะจุดมันปิง้งปิงขึ้นมาน ะ, ะมันไม่ใช่ค่อยครู้ขึ้นมาไม่ไม่ได้คิดเองแต่ว่าปิ้งขึ้ น, นเป็นคําตอบขึ้นมามันปิ้งเป็นความเข้าใจขึ้นมาแต่ไม่ไม่ยังก็ยังไม่ไม่มากพอก็ต้องบ่อยๆ อ, อีกอ่านะมันเกิดปัญญามยังไม่เกิดมร์มันยังไม่ใช่ปัญญาในระดับมร์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญสติไปนี้เราสะสม ความรู้ความเข้าใจในเชิงปริมาณนะสะสมเชิงปริมาณค่อยๆสะสมไปเพื่อก้าวกระโดดไปสู่คุณภาพอย่างฉับพลันคล้ายคล้ายทฤษฎีของคอมมิวนิสนะทฤษฎีวัตถุนิยมวิาพ <c oughs> สากษ์มีเงินบอกสะสมเชิงปริมาณนะเพื่อจะก้าวกระโดดเปลี่ยนคุณภาพอย่างฉับพลันต้องฉับพลันด้วย <c oughs> เวลาความเข้าใจเกิดนนะั่นก็เกิดในฉับพลัน เวลาเราภาวนาบางทีเราก็ดูของเรานะดูกายดูใจดูอะไรไปเรื่อยเรื่ทีแรกก็ดูแล้วก็แทรกแสงบ้างอะไรบ้างต่อไปมันดูจนเป็นกลางธรรมดาธรรมดามดูไปถึงจุดที่เขาอิ่มจุดที่เขาพอนะเขาก็ขาดเองเลยกลับเรียนถามหลวงพ่อนพิเศษเป็นความรู้พิเศษนิด น, นึงคะ่ะเวลาเวลาคนที่ที่โคม่าเนี่ย เวลากายเขานอนอยู่ไม่ไปเนี่ยแล้วจิตคือนอนอยู่เป็นเวลานานแล้วไม่มีความรู้ตัวอะไรเลยเนี่ยแล้วจิตอยู่ยังไงคะจิตจิต<า>มันล ง, งระวังนะบางทีก็เคลื่อนขึ้นมาแต่ว่ามันสั่งกายไม่ได้เพราะร่างกายมันไม่รับออเดอร์แล้วจิตมันยังทำงานอยู่แต่บางทีหูก็ได้ยินนะกระซิบอะไรก็ได้ยินอยู่บางทีอยู่กับกายไหมคะ อยู่ในกายไหมคะ่ะจิตอยู่ในภวังหมายถึงว่ายังยืนอยูคืวังเนี่ยนะเราบอกไม่ได้ว่าผวังอยู่ตรงไหนค่ะมันไม่ขึ้นวิถีทางปัญจทวารแต่วิถีทางใจยังทําได้น ะ, ะยังมโนทวารยังทํางานได้อยู่ <c oughs> เพราะว่ามันมีหน้าที่จะต้องรอทํางานอีกอันหนึ่งอีกวิธีหนึ่งมรณาสานวิถีจะต้องไปทําวิถีตายอีกอันหนึ่ง คือตรงตรงนั้นนั่นคือว่ามันกายยังรับวิบากอยู่แต่จิตเป็นอิสระเหรอคะหลวงพ่อมันไม่อิสระหรอกแต่มันมันสั่งกายไม่ได้ละมันไม่ต้องถึงขั้นโคม่าหรอกเวลาภาวนาที่สติวัยนะตอนที่ร่างกายหลับอยู่แล้วจิตตื่นขึ้นมาเคยเป็นไหมเราสั่งให้กระดิกนิ้วยังไม่ได้เลยเราสั่งพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ได้เลยนี่มันสั่งไม่ได้ แต่จิตมันยังทํางานของมันอยู่ไม่ไม่ได้ไปที่ไหนไกลๆกลไกลไม่ใช่ใชไม่ใช่อย่าไปเชื่อเรื่องสัมภเวสีนะ <c oughs> ร่อนเร่ไปหาที่เกิดมไปเจอที่เกิดแล้วค่อยเกิดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะสัมภเวสีจริงๆคือสัตว์ที่เที่ยวสแสวงหาพบอยู่พวกเรานี่แหละเที่ยวสแสวงหาพบอยู่ <c oughs> นี่แหละสัมภเวสีหละ ย้อนกลับมาภาวะเมื่อสักครู่ครับหลวงพ่ อ, อ, อจิตสั่งกายไม่ได้แต่ยังรับรู้ทุกอย่างใช่ไหมฮะบางทีก็ไม่ได้รับรู้ทางกายไม่ได้รับรู้ทางกาย<ม>แต่ว่ามโ น, นทวารทางานอย่างนั้นยังทำภาวนาได้ไหมครับถ้าเคยทำทาได้ครับนะอย่าว่าแต่ตอนนั้นเลยยังแต่ยังต้องเป็นพระอริยบุคคลนะที่ชำนาญการดูจิตนะเข้าไปอยู่อรูปอริมยังทำต่อได้เลย มันไม่มีกายเหลือแต่ใจอันเดียวแต่มันทํางานได้แต่ว่ามันมันชัดกว่าตรงที่จิตเคลื่อนในผวังนะจิตเคลื่อนในผวังทําอะไรไม่ได้หรอกแต่มันจะถอยขึ้นมานิดหนึ่งคือกําลังจะเริ่มต้นใหม่อะค่ะอืเริ่มต้นฝึกใหม่อค่ะหรือเริ่มยังไงอะบอกหลวงพ่อบ้างเริ่มต้นใหม่อะค่ะทําทยัางไงก็คือ ช่วงช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะกีเลศเยอะอะค่ะออไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูจิตไม่ค่อยได้อ่านหนังสื อ, อ, อแล้วก็ฟังวิทยุฟังซีดีหลวงพ่ออะค่ะออคือตั้งใจจะเริ่มต้นมัออ้ยออย่างงั้นก็ได้เ อ, เอะเริ่มต้อนอ่านหนังสือฟังซีดีดูกิเลศไปอา้าวข้ามไปแล้วแถวหนึ่งตอนนี้เวลาที่ผมรู้สึกตัวนีนะครับ รู้ว่ามีอารมณ์กโกรธหรือว่าเกลียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีอาการทางกายปรากฏขึ้นมาแทรกขึ้นมาตามมาด้วยอย่างเช่นมันไม่ ไ, มม ไ, ฟไฟฟา้ฟาวิ่งที่ศีรษะหน้าผากข้อแขนฝ่าเท้าฝ่ามืออะไรเงี้ยครับหลวงพ่อดีแล้วที่ทาอยู่ใช้ได้แล้วนะคคจิตใจก็ตื่นขึ้นมาค่อยรู้ไปเห็นกิเลสแต่ละวันแต่ละวันกิเลสเยอะแย ะ, ยะดูออกยัง ดูออกแต่ว่าสงสัยว่าอาการทางกายมันมากขึ้นนะครับหลวงพอ่อไม่แต่ก่อนมันก็มีแต่เราไม่เคยรู้สึกครับนะอย่างเวลาเราโกรธนะมันมีอาการออกมาทางกายด้วยแต่เราไม่รู้สึกเพราะเรามัวแต่ไปดูไอ้คนที่เราโกรธ<ม>เรามัวสนใจอืนอ่น<ม>แต่พาย้อนมาสนใจตัวเองเราจะรู้สึกเลยยิงร่างกายนี่นะมีการเคลื่อนไหวภายในอยู่ตลอดเวลาเอนะนี้ตอนนี้ที่บอกามากขึ้น บางทีมันรู้สึกเจ็บด้วยครับมันมีเข็มแทงที่ฝ่ามือผมก็เลยเอ๊ะเราผิดทางหรือเปล่าไม่ผิดไม่ผิดอนะในร่างกายอยู่เฉยๆบางทีก็เจ็บน ะ, ะเดี๋ยวก็เจ็บตรงโน้นเดี๋ยวก็เจ็บตรง น, น, รงนี้ยึกยักยิกยักไปเรือ่อยรับอ่ะส่งต่อพ่อรับช่วงนี้โมหะเยอะมากเลยครับมันจะง่วงบ่อยอครับผมรีบๆภาวนานะยิ่งแก่ยิ่งโมหะเยอะนะเพรพอยิ่งแก่นะร่างกายมันซึมซึมง่าย อ่ะไปถึงไหนละศาลเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วครับเอ่ออยู่ระหว่างการเดินจงกรมในรูปแบบะครับคิดว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นการเกิดขึ้นของโมหะจากใจครับหลวงพ่อมันเหมือนอะไรใส่ที่มันหมุนหมุนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นมาครอบออือพอรู้ทันมันพอมันครอบเสร็จปุ๊บมันก็มันหายไปครับคือ มันกลับมาใสา่แล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะทำอีกมันก็ครอบอีกแล้วมันก็ใสยอีกอประมาณสัก3ามสี่ครั้งก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อมูหามันคือตรงนี้นี่เองที่มันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่ามูหะครอบงำได้น้อยลงอะครับดีลวใช้ได้ดีและภาวนาดีวันนี้ได้แค่นี้นะโยมเชิญกลับบ้านไป